จะเกิดกี่ภพเกิดกี่ชาติเกิดกี่หนเกิดกี่แห่งเกิดกี่ที่เกิดกี่ครั้งก็ช่างเถอะขึ้นเชื่อว่าความเกิดชาติดำ ม, มาซึ่งชรามรณะโสกกระปริเทวะทุกโทมานัทและโอปายาตก็เลยว่าโอ้เราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ถูกแต่ความทุกข์ครอบงำน่นนะก็จริงๆอ่ะนะคนที่โล่งใจจริงๆสบายใจจริงๆมีความสุขจริงๆเนี่ย นะเกิดมากันตั้งนมนานพอสมควรแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าใครมีความสุขจริงบัง่งแมทำไมช้างหน้าริษยาเหลือเกินทําไมเขาช่งมีความสุขแท้เนี่ยนะเช่นเขาอาจจะเราเห็นเขามีอย่างอื่นเนี่ยใช่ยอมรับใช่แต่ละคนบางคนเขามีโน่นมีนี่มีข้าวมีของมีบ้านมีที่ทำมาหากินมีเงินมีทองอันนี้เราเห็นละ่ะแต่ว่าเห็นคนที่เขามีความสุขเนี่ยเราเห็นจริงไหมอ่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยนะเดินทางหลายท่านไปมารอบโลกเนี่ยนะไปดูว่าเอ๊ะเห็นคนที่เขามีความสุขไหมชีวิตอยากจะมีความสุขอย่างนี้เหลือเกินขอให้ตัวเองมีความสุขอย่างเนี้ยพบเห็นบ้างไหมข้ามทวีป บ, บินไปบินมาเนี่ยไปพบบ้างไหมว่าคนที่เขามีความสุขทั้งสุขแท้เนี่ยนะเมื่อไรนะเราจะประสบความสุขเช่นนี้บ้างก็บอกก่ายากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีทุกข์เนี่ยครอบงำมีทุกข์เนี่ยท่วมทับ มีทุกขเป็นเบื้องหน้ามาจากไหนก็มาจากทุกตอนเนี้เป็นยังไงก็ถูกทุกครอบงําแล้วจะไปไหนก็ไปให้ทุกมันครอบงําท่วมทับต่อไปมันก็มีแต่เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยมาคิดว่าโอ้ทำไงเนาะการกระทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้จะพึงปรากฏได้กระทํานี้เป็นชื่อของอริยมรรคที่สุดแห่งทุกเป็นชื่อของพระนิพพาน ทำไงเนะาะจะปฏิบัติให้บรรลุปฏิบัติในอริยมรรคบรรลุที่สุดคือพระนิพพานทํำยังไงเนาะจากทําพระนิพพานให้แจ้งทํำยังไงเนาะจากเจริญอริยมรรคให้ครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะะก็แปลว่าถ้าท่านพูดตามนี้จริงๆเนี่ยคนที่มาบวชนี่แสดงว่าเข้าใจหลักการเข้าใจคําสอนว่าคําสอนเนี่ยกล่าวถึงทุกข์กับกล่าวถึงความดับทุกข์ เพราะฉะนั้นทุกมีเหตุเป็นแดนเกิดชีวิตในปัจจุบันเนี่ยสร้างแต่เหตุแห่งความทุกแต่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการสอนการปฏิบัติเพื่อความดับทุกขเป็นการสอนการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เลยเห็นแล้วว่าอาการบวชเนี่ยสามารถจะทําที่สุดแห่งทุก์ได้เข้าใจเลยว่าโอ้บวชเนี่เกื้อกูได้นะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยสามารถประพฤติพรหมจรรย์ แบบครองเรือนได้แต่หลายท่านบอกว่าถ้าอยู่ครองเรือนไม่ใช่ฐานะที่จะประพฤติธรรมจันทร์สาหรับเขาเพราะฉะนั้นควรที่เขาจะออกบวชประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพอบวชอย่างนี้แล้วก็พอบวชเสร็จแล้วก็ยังลาบสักการะและสรรเสริญให้บางเกิดขึ้นเช่นเช่นเช่นอะไรทําไมจึงมีลาบสักการะบางคนเนี่ยเนื่องจากว่ามาที่ได้บวชเนี่ยบวชมาจากคนที่มีชาติตระกูลสูง พอตัวเองมีชาติตระกูลสูงก็เป็นที่ตั้งแห่งการยอมรับหรือบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีกิริยาอาการที่งดงามเนี่ยนะเนื่องจากความเป็นผู้มีกิริยาอาการที่งดงามคนทั้งหลายเห็นแล้วก็เลื่อมใสก็สามารถทําให้เกิดลาบสการะหรือเป็นพหูสูตเนี่ยนะเป็นผู้ที่เป็นพหูสูดกล่าวธรรมได้อย่างไพเราะเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งลาบสการะหรือบางทีก็ไปประพฤติอยู่ในทุดงหรือด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งสรุปว่ามี ลาบคําว่าลาบเป็นชื่อของปัจจัย4ีลาบก็คือมีเครื่องนุ่งห่มเยอะๆเนี่ยนะลาบคืออาหารอร่อยๆเยอะเนี่ยลาบคือที่อยู่อาศัยที่ดีๆลาบคือยู่ยาทั้งหลายอย่างดีสักการะเนี่ยแม้เขาจะให้เขาต้องนอบน้อมให้ประเคนให้โยกให้กระว่าแทบจะทูลหัวให้หรือทูลหัวให้ก็ เ, เลยเรียกว่าสักการะเป็นการกระทําแบบชนิดพิเศษเนี่ยนะไม่ใช่แบบ จับคว้างให้ร่อนส่งไปให้แบบนั้นไม่ใช่แต่เป็นการแหมยื่นให้มอบให้จัดพิธีมอบให้แต่ละอย่างเนี่ยรูงะรูงงดงามเนี่ยนะกละ่าวว่ายังลาบให้เกิดลาบนั่นแหละแต่ให้อย่างพิเศษชนิดพิเศษเลยเรียกว่าสักการะแล้วก็โยกย่องสรรเสริญเนี่ยนะก็สรุปว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากสำเร็จว่าไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่กลับมีอย่างเยอะแยะไปหมดทุกคนก็ ล้วนแต่เคารพนับถือไปที่ไหนก็มีแต่เสียงยกย่องและสรรเสริญเขาก็เลยมีความยินดีมมีความสุขมากเลยใช่ไหมมีความมีความคิดว่าเราเนี่ยสมความปรารถนาแล้วชีวิตมันจะมีอะไรเนี่ยนะใชชีวิตเกิดมาในโลกนี้ก็สแสวงหาปัจจัย4ี่เท่านั้นแหละบัดนี้ฉันก็ได้รับปัจจัย4แล้วเนี่ยนะ ฉันเนี่ยได้รับคำยกย่องคำสันเสริญการนบน้อมการบูชาเพราะฉะนั้นชีวิตนี่ถึงที่สุดประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะมีลาบมีสการะมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสันเสริญการศึกษาก็จบสูงแล้วมีวุฒิบัตรกระดาษเต็มฝาห้องไปหมดเนี่ยนะ แล้วก็ไปที่ไหนก็มีถ้วยมีแก้วมีเหรียญตรามีโอ้ยนั่งประดับอีกเต็มไปหมดะนั้นคําประกาศนัยบัตรจดหมายสรรเสริญยกย่องเต็มไปหมดเลยเนะนี่ยนะได้รับการโฆษณาเชิญชวนให้เชื่อถือเป็นต้นเต็มไปหมดแล้วก็เลยมีความสุขบอกว่าถึงที่สุดแห่งชีวิตแล้วเนี่ยนะประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะอะไรอะไรก็จบหมดแล้วจบอะไรรู้ไหมก็อา้าปรารถนาลาบสการะสรรเสริญบัตรนี้ก็ได้ครบถ้วนอย่าง สมบูรณ์แล้วเพราะอะไรคำว่าดำริตัวนั้นแปลว่าความปรารถนาเพราะท่าแท้จริงๆของเขาเขาต้องการลาบสการะสรรเสริญความดำริตัวนั้นแปลว่าท่าแท้หรือความมุ่งหมายที่มีอยู่ในใจของเขาว่าใจของเขาจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการแค่ลาบสการะสรรเสริญแล้วก็ชื่อเสียงนั่นเอง เพราะฉะนั้นเพราะเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยลาบสการะสันเสริญอันนั้นเขาก็ย่อมยกตนข่มผู้อื่นอนนายกตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็กดทับผู้อื่นให้ต่าลงมาว่าวิธียกเนี่ยนยกตนให้สูงแล้วกดคนอื่นให้ต่าลงเนี่ยทำยังไงว่าเราเนี่ยมีลาบสการะและความสันเสริญใครจะมีจีวรเท่าเราใครจะมีอาหารอร่อยๆเ ย, ยอะเหมือนเรา ใครเนาะจะมีที่อยู่อาศัยงดงามเหมือนเราวัดไหนมันจะดีเท่าวัดเราเป็นต้นนะนะแล้วใครมันจะโก้เหมือนเราเป็นต้นแล้วก็ในที่สุดก็ใครเนาะจะมีชื่อเสียงเท่านี้ใครเนาะจะได้รับคํายกย่องสรรเสริญเท่านี้ไอ้คนอื่นดูสิ ไม่มีชื่อเสียงเลยเนี่ยนะไม่มีใครมีราบเลยดูสิจีวรก็กรุงกระริ่งอาหารก็ฉันอดๆยากที่อยู่อาศัยก็ยุงกวนเหลือเกินน่ยนะแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดยามป่วยก็ฮาแหมจะรักษาก็ยากยากไม่มีอเดธไม่มีอำนาจจะวานใครจะใช้ใครก็ไม่ได้แล้วก็ยกตนเที่ยวข่มผู้อื่นอย่างเง้ยนะยกตนว่าตัวในดีหรือเกินคนอื่นด้อยหมดเลยนะคนอื่นมีแต่ปมด้อยฉันมีแต่ปมเด่นจุดเด่นมีย่่อยแย่ไปหมดเลย ทีนี้พอยกตนให้สูงขึ้นเท่าใดก็กดผู้อื่นให้ต่ำลงไปเท่านั้นที่จริงตัวเองไม่ได้สูงขึ้นอะไรหรอกก็ยืนอยู่ที่เดิมนั่นแหละก็พยายามกดคนอื่นก็นึกว่าคนอื่นเขาจะต่ำลงเพราะตัวเองในกดโดยใช้เล่ลิ้นเนี่ยนะหนักๆเข้าก็ถึงความมัวเมาพอมัวเมาก็ถึงความประมาทเนี่ยนะว่าตนเนี่ยเป็นผู้มีมีอะไรมีสิ่งที่ตัวเองปรารถนาฝ่ฝันแล้วก็ลุ่มหลงแล้ว ประมาทเพราะลาบสักการะและสรรเสริญเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในที่สุดก็กลายเป็นผู้ประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์คาว่าประมาทในที่นี้เนี่แปลว่าอะไรสแสวงหารูปที่ยังไม่ได้ให้ได้สแสวงหารูปเสียงเกลื่อนรถโรถภทพมีความสุขในการบริโภครูปเสียงเกลื่อนรถและโภทพมีใจหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในรูปเสียงเกลื่อนรถโรถภทพไม่ปรารบศีลที่ยังไม่เกิดให้ เกิดขึ้นไม่ปราลบไม่รักษาศีลที่เคยบังเกิดขึ้นแล้วไม่ปรารบสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่รักษาสมาธิที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ปราลบปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่ปรารบปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วรักษาเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ประมาทไม่สนใจไม่ใส่ใจในสิกขาไม่ใส่ใจในโอวาทานุศาสนีคําสอนของพระศาสดาม่คิดว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่ ที่น่าสนใจสําหรับเขาอ น, นะเขาพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนที่เขาน่าสนใจเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนที่เขาบูชาอย่างแท้จริงธรรมะก็ไม่ใช่คําสอนของพระองค์มันบุคคลในดวงใจของเขาคือใครคือคนที่บริบูรณ์ไปด้วยลาบสการะสรรเสริญและชื่อเสียงด้วยกันเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่สนใจในพระรัตนตรยัยจิตใจหมกมุ่นลุ่มหลงไปไปกับลาบสการะสันเสริญและชื่อเสียง ไปที่ไหนก็โม้อยู่นั่นแหละโอ้คนโน้นก็ชมเราคนนี้ก็นับถือเราคนนั้นก็สิ์เราทั้งนั้นคนนั้นก็พวกเราก็มีอยู่แค่นั้นแหละวันๆนหนึ่งก็มีอะไรเนี่ยนะหมดไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไม่ใส่ใจในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเลยเนี่ยนะก็ตอนแรกเนี่ยปรารถนาเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ดีๆใช่ไหมตอนหลังอ้าเปลี่ยนประเด็นไปเพื่อรูปเสียงเปลี่ยนรสตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไปเพื่อปัจจัยสี่ตั้งแต่เมือ่อไหร่ ดูก่อนพี่สูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้มีอยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ก็ว่าต้องการแก่นไม้ใช่ต้องการแก่นไม้ก็ไปพบไปพบอะไรไปพบต้นไม้ที่มีแก่นยืนต้นอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพี่ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดเนไ ไปตัดเอาอะไรเข้าไปตัดเอากิ่งและเอาใบาสำคัญว่าเป็นแก่นเห็นต้นไม้มีแก่นใช่ไหมไปเอาอะไรเอากิ่งเอาใบาสำคัญว่าเป็นแก่นบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาผู้นั้นแล้วบุรุษผู้มีจักสุนี้เท่นใครพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเห็นเขาแล้วก็บอกว่าท่านผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จัก กับพี่ของไม้ไม่รู้จักเปลือกของไม้ไม่รู้จักสเก็ดของต้นไม้ไม่รู้จักกิ่งและใบเพราะอะไรเพราะว่าบุรุษผู้นี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เที่ยวสแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยกับพี่ละเลยเปลือกละเลยสเก็ดไปเสียตัดเอาเฉพาะกิ่งและใบถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นและกิจที่พึงทาด้วยไม้แก่นของเขา จกไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขานนไปเที่ยวหาแก่นไปได้ใบสดมาเลยเนี่ยนะไปเห็นบอกเอ๊ะแก่นมันไม่น่าสนใจตัดเอาอยากเอากิ่งเ อ, เอายอดไปก็แล้วกันเนี่ยมันงามดีเนี่ยนะก็บอกว่าแก่นมันหายากเอาใบดีกว่าเนี่ยนะใบจะเอาไปกี่ขันรถก็ได้กง น, นะกุลบดบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันตัวเองเนี่ยออกจากเรือนไม่มีเรือนบดด้วยศรัทธามีความคิดว่า เราเนี่ยเป็นผู้ถูกชาติชารามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงมแล้วถูกความทุกท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำไนหนาความกระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้จะเพื่งปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลากสการะและความสรรเสริญให้ บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดํ่ริมีความเต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและสันเสริญอันนั้นเพราะลาบสการะและความสันเสริญอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสการะและความสันเสริญส่วนเษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏไม่มีใครรู้จักเลยเป็นผู้ที่มีศักดาน้อยสังเกตดูว่าใครที่ถูกลาบสการะครอบงำเนี่ยสังเกตง่ายนิดเดียว ถ้าชวนคุยเรื่องลาบเรื่องสการะเรื่องปัจจัยแล้วก็โวยน้ำลายแตกฟองอยู่ตรงนั้นแหละคุยเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งไม่เลิกไม่ราซากทีนั่นแหล ะ, สะแสดงว่าเมาเมาเมาไอเมาด้วยอะไรมัวเมาด้วยลาบสการะและสรรเสริญก็คือคนเมาอ่ะนะคนเมากับสิ่งใดเคยสังเกตไหมเมากับสิ่งใดก็พร่ำพูดอยู่กับ สิ่งนั้นกล่าวแต่สิ่งนั้นยกย่องแต่สิ่งนั้นสันเสริญฝักฝ่ายมีจิตใจลุ่มหลงอยู่ในสิ่งนั้นผู้ที่มัวเมาเพลิดเพลินหลงไหลติดใจอยู่ในลาบสการะก็จะสันเสริญยกย่องพูดปรารบแต่ลาบสการะสันเสียงและชื่อชื่อเสียงเป็นต้นก็เลยประมาทไม่สนใจในศกขาแล้วมีจิตใจหมกมุ่นอยู่ในเฉพาะกามคุณเพราะอะไรเพราะมัวเมาในลาบสการะและสรรเสริญ กลายเป็นผู้ประมาทผู้ประมาทแล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกทุกทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพต่อต่อไปนะปัจจุบันนี้เป็นทุก์เอาคนที่มีอย่างสมมติว่พระภิสุที่สังสมลาบสการะชื่อเสียงไวย้ยะเนี่ยนะเท่ากับสะสมศัตรูเอาไว้มากเนี่ยนะมีคนนับถือเท่าไหร่ก็แปลว่าตัวเองเนี่ยมีศัตรูมากขึ้นเท่านั้นแล้วมีปัจใจศีลมากเท่าไหร่ก็สังสมศัตรูเอาไว้มากเท่านั้นนหละนะ ไม่เชื่อก็ลองมาบวชเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นคนเด่นคนดังเป็นเจ้าวาดวัดใหญ่วัดโตขึ้นคนขึ้นตั้งแต่เช้าตีสี่ยันห้าทุ่มเนี่ยนะก็ดูเธอแล้วจะมีความสุขไหมล่ะเขานะก็ทุกทุกทั้งในปัจจุบันนั่งรับแขกสักขาเสียหมดะนะนั่งพับเพียบสักขารีบหมดเนี่ยนะก็เดือดร้อนมากมเลยแหละก็อทุกทุกมากหลุก็เขาบอกว่าเอกทุกทุกทุกทุกทนะุกทุกทุกทนกแวะมาเยี่ยมกทุกทุกทุกทนะุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุ หมดไปแล้วนะบางทีอาจจะเกิน24ชั่วโมงไปแล้วนะไม่ต้องนั่งทําอะไรแล้วนั่งคุยอยู่นั่นแหละหมดหมดไปวันวันหนึ่งทีนี้คุยกันไปนั่งคุยเรื่องอะไรป่วยไหมสุขภาพดีไหมใครมาจากไหนใครจะไปไหนคนนี้มาจากที่นี่คนนั้นจะไปจากที่นั่นก็นั่งหมดวันหมดคืนอยู่แล้วเนี่ยนะ กว่าจะเข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่ได้เขามีธุระทันทีเลยแล้ว่างั้นนะว่าคนที่ที่มีคนรู้จักมากๆเนี่ยแต่ละคนก็มานั่งเล่าประวัติให้ตัวเองให้พระฟังเลยนะพระก็นั่งทนฟังเลยนะก็นั่งพระก็นั่งฟังไปโยมก็เออคุยกันไปคุยกันมาจากแต่ละคนแต่ละคนก็หมดวันหมดเดือนหมดปีเนี่ยนะปี1นึ่ผ่านไปสองปี3ปีสป <ata> ีหปีหมดไปชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยนะทุกทั้งในปัจจุบันทุกทั้งต่อต่อไปในชาติต่อต่อไปเนี่ยนะ